บัดนี้ท่านนหลายได้พากันสมาท า, า, <c oughs> า, านพระกรรมฐานแล้วการสมาทานพระกรรมฐานที่ว่ากันอยู่ทุกวันขอได้โปรดจงอย่าถือว่าว่าตามประเพณีคำว่าอีมาหังพระกวาตะพาวังตุมหากังปริจจฉามิ <c oughs>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 จงสร้างแต่ความดีสามสัจจิตตาประโยชปันนังจงทําใจของเราให้แจ่มใสจากกิเลสเอตังพุทธานศาสนังพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนอย่างนี้เหมือนกันหมด <c oughs> เป็นอนุว่าชีวิตของเราที่ยอมมอบถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า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 ถ้าจิตตาปิโยทะปันหนังทำจิตใจให้ผ่องใสจากกิเลสสามประการที่เป็นรากเหง้าของกิเลสคือโลภะหรือว่าราคะโทสะโมหะทั้งสามอย่างอย่าให้มีในจิตใจของเรา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 ท่านยังไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกถ้าท่านทราบท่านก็จะต้องไปสำนักของพระพุทธเจ้าแน่เพราะตั้งใจจะบวชเพื่อแสวงหาโมคธรรม <c oughs> ได้ว่าท่านหลายนั้นยังไม่พบพระพุทธเจ้าสแสวงหาได้ตนเองสามารถธรรมปิญญาห้าและสมาบัติแาดให้เกิดขึ้น เวลานี้ท่านฟังเรื่องนั้นมาแล้วท่านก็ต้องคิดเนี่ยครับเพราะว่าปากินากะคคำสอนเป็นการสอนกันเล็กๆในน้อยตามอารมณ์เอาบุคคลตัวอย่างขึ้นมาว่ามาแนะนำกันมาเล่าสู่กันฟังและเราก็ต้องนำเอาเนื้อแท้แห่งความดีของบรรดาท่านหลายเหล่านั้นมาพูดกันอีกตอนหนึ่ง ท, ท่านเห็นว่าระยะนี้ผมใช้แบบนั้นพระบุคคลตัวอย่างมีอยู่แล้วการแสวงหาที่สงัดถ้าจิตใจของเราไม่สงัดอยู่ที่ไหนมันก็ไม่สงัดถ้าหากว่าจิตใจของเราสงัดจะอยู่ในป่าก็สงัดอยู่ในถ้ำก็สงัด <c oughs> อยู่ในบ้านก็สงัดอยู่กลางตลาดมันก็สงัด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 รวยทรัพย์รวยสินถ้าเป็นคราวญวัดจำเป็นจะต้องสะสมทรัพย์สินเข้าไว้เพราะวา่าถ้าไม่สะสมทรัพย์สินเข้าไว้จะกินอะไรเพราะต้องเลี้ยงตัวการมีทรัพย์สินมากรวยทรัพย์ที่เขาไม่เมาในทรัพย์ก็มีดูตัวอย่างนางวิสาขามาหาอุบาสิกา แล้วท่านนาเดบินิกาเศรษฐีรวยมหาศาล <c oughs> แต่ว่าบำเพ็ญกุศลในองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสนาอย่างไม่จำกัดเขตนี่เห็นไหมคนเขารวยแต่ว่าเขาตัดความโลภจะได้รวยแต่ไม่โลภน่าสงสัยนะครับ ทำมาโลภในหมายความว่าแต่เกียรติแต่กายมีเท่านี้แล้วก็อยากจะมีเท่าน้นแล้วก็อยากจะมีต่อไปแต่การเสียสละใดๆไม่มีดูตัวอย่างท่านอนาอท่านน า, านันเศรษฐี <c oughs> รวยแล้วไม่อยากจะจ่ายให้ใครทั้งหมดอย่างนี้องค์สมเด็จพระรมสุคตถือว่าเป็นคนโลภ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 แต่คิดไว้เสมอว่าถ้าเรารวยในชาตินี้ก็เพราะอาศัยความดีคือทานการกุศลในชาติก่อนเวลานี้เราพบศาสนาขององค์สมเด็จพระชินนวรสเราจะนำทรัพย์สินนี้ให้มีประโยชน์ทั้งในชาติปัจจุบันและสัมภารยาภพคำว่าสัมภารยาภพคือชาติต่อไป <c oughs> แต่ในชาติหน้า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 เมื่อเรามีคนรักมากเราก็มีความสุขมากนี่ประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในสัมรายะพบจิตใจของเรานั้นเมื่อให้ไปเมื่อไหร่กิเลสเคโลพระมันก็ทําลายสิ้นไปจากใจมานั้นให้มากกิเลสหมดมากให้น้อยกิเลสหมดน้อยให้บ่อยๆกิเลสหมดเสมอ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 ในชาตินี้มีคนที่รักมากเราก็เป็นสุขก็มีภัยน้อยตายจากชาตินี้ไปแล้วอย่างเลวเราก็เป็นเทวดาได้ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็เป็นคนรวยหรือมิฉะนั้นถ้ารมจิตกโกระโผลความโลภที่มันจะสร้างความซวยให้แก่จิตมันหมดไปที่ว่าเราตัดรากเก้ามันได้ก็เป็นเก้าหนึ่งที่เดี๋ก้าวไปสู่ความเข้าสู่พรนิพพาน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 บวชก็ไม่ได้บวชในพระพุทธศาสนา <c oughs> ตัดใจเป็นเนคขมะโดยเฉพาะต่อไปก็ทรงสมาบัตแปดแล้วทรงพิญญาให้ได้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญเมื่อทรงสมาบัตแปดได้ทรงพิญญาสมาบัตได้สมาบัตห้าแลิญญานะี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 ใสจนทั่งเราก็คิดว่าเอ๊ะนึกขึ้นมาอะไรเหมือนภาพพระลอยอยู่ข้างหน้าโดยเฉพาะมันมีรูปปรากฏแจ่มใสปรากฏชัดตามอารมณ์ที่นึกนึกขึ้นมาอะไรภาพพระใ ส, ส่ทรงตัวในจิตเรา่าทรงนานแสนนานยังไงก็ได้ใจสบายมีอารมณ์เป็นสุข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 อหพิญญาแปดแล้วให้ขอโทษสมาบัรแปดให้ภาพพระรูปนี้จงหายไปนึกถึงภาพของอากา ศ, ภ า, ออากาศภาพของอากาศก็จะปรากฏคิดว่าอากาศนี้เวิ้งว้างบ้างเปล่าหาที่สุดไม่ได้ฉันใดชีวิตของเราก็ฉะ น, นั้นเรามีร่างกายอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่ามันอาศัยการติดรูปเป็นสาคัญ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 ไม่ต้องการอะไรทั้งหมดขึ้นที่ว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและขันร่างกายที่ประกอบไปได้ทั้งด้วยทัศสี่ต่อไปนี้จะไม่มีสำหรับเราอารมณ์ก็จับภาพอากาศที่เบื้องว่า ง, ว, า ง, ว, างาว่างเปล่าวหาที่สุดไม่ได้ไอรูปกายก็คิดว่ารูปกายของเราอย่างนี้ก็ไม่นกัน ถ้าเรายังต้องการในมันมันก็เกิดอย่างนี้ทุกอย่างนี้หาที่สุดไม่ได้แต่ความจริงมันเรียบเคียงกับไปหาวิปัสนาญาณจนกระทั่งมีใจเบิกบานมีลมทรงอยู่ในฌานสี่เห็นสภาพนึกถึงภาพเมื่อไหรเห็นนึกถึงคนนึกถึงกายนึกถึงเรานึกถึงเขานึกถึงวัตถุบ้านเรือน สิ่งก็สราบได้หมดเห็นว่าในโลกนี้นี่มันไม่มีอะไรมันมีสภาพว่างไม่ช้ามันก็พังเราไม่ต้องการมันอีกผมว่านี่ผมพูดมันควบวิปัสสนาเลยครับถ้าใจคิดจริงๆอย่างนี้แล้วก็แทนที่จะเป็นสมาบัต 8, ิแปดเฉยๆยันดันเป็นอราหันต์เข้าไปด้วยเอา้าเป็นก็เป็นไปเมื่อพูดอย่างเดียวมันจะไปดีอะไรเนาะ สมถากวิปัสนาควบกันมื่ต้องควบกันแต่ทำอย่างเดียวก็โง่เต็มทีอยยอมเสียเปรียบคนเวลานี้เราเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระชินสีเรายอมอยั้เวลานาทีทองเขาเราเลื่อนลอยไปไม่ได้เมื่อจิตใจไม่ติดอยู่ในภาพติดใจในาอากาศแล้วภาพบรรยากาศเขามาเทียบกับกายว่าไม่ช้ากายของคนเราสัตว์มันก็ตาย มันก็มีสภาพว่างเปล่าในอากาศในเมื่อจิตทรงตัวนึกถึงขึ้นมาวมืไรจิตว่างสบายมีอาการโล่งไม่ผูกพันในร่างกายจิตใจเป็นสุขทรงฌานสีได้เป็นปกติอย่างนี้เรียกว่าได้อากาศานัญจาตยยนะเป็นอรูปฌานที่หนึ่ง ควาจริงเราจับภาพพระพุทธรูปมาทั้งชานสี่เรสมาบัตสีในในรูปประชานแล้วก็หาสมาบัตสีในรูปประชานได้แก่อากาสันนญจญาตยตนะถ้ามีอารมณ์คล่องนี้แล้วเราก็ไปจับวิญญาณความรู้สึกว่าไอ้ความรู้สึกนะึกคิดที่เกาะกับขันหานนี่มันเป็นโทษเป็นทุกข์เราไม่เอาความรู้สึกความคิดความอ่านแบบนี้มันไม่มีอะไรดี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 ก็ให้กันมาแล้วมาอยู่ร่วมกันก็เริ่มทุกต่อไปในการทำมาหากิ่งความเป็นอยู่ <c oughs> ต้องประคับประคลองใจซึ่งกันและกันในที่สุดถ้ามีลูกมีเต้ามันก็เปิดกันไหลกระเดิดเปิดเปิมมีทุกหาที่สุดมีได้เป็นอันว่าความรู้สึกนึกคิดนี่มันเป็นทุกข์ เราไม่ต้องการมีความรู้สึกในคิดความรู้สึกเก่ยวกัคิดจะมีนมาได้ก็เพราะอาศัยจิตเกาะกายเป็นเรานับแต่ตรบัดนี้ต่อไปเราไม่ต้องการจะเกาะกายต่อไปและไม่ต้องการความรู้สึกในคิดอย่างนี้ทำอารมณ์ให้เป็นอุนเบกขารมอารมณ์จิตเข้าทั้งชา้นสี่นี่ยมันก็เป็นของง่ายมันไม่ใช่ยากในที่สุดจิตก็ปล่อย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 เดี๋ยวต้องทำงานมันอย่างเดียวมันคนใหญ่คู่คนได้ไปทำงานสองคราวเพื่อประโยชน์อะไรพอเล่นวิญญาญวิญญาณตระนักชานสมายสมายมีรมจิตเป็นสุขนึกขึ้นมาเมื่อไรวิญญาณไม่เป็นเรื่องการมีขันห้าไม่เป็นเรื่องเปลืองความเปลืองความเป็นอยู่ศูตรปฏิบัติตามแนวห้องสมเด็จพระบรมโรูไม่มีขันห้าดีกว่า ไม่มีขันห้าวิญญาณมันก็ไม่มีถ้ามีขันห้ามันก็มีวิญญาณอย่าลืมนะตัวนี้บา ร, รมณ์พระอรหันต์ต่อไปเมื่อเลนวิญญาณพลืนๆมีจิตเป็นสุขอารมณ์มันจำใสเยือกเย็นดีกว่าอาการสันจายทะนาต่อไปก็ไม่คิดอีกทีหนึ่งปัดกวาดมันหมดในโลกนี้่ากิน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 ต้องการอย่างเดียวใจว่างสบายไม่มีที่ยึดทรงได้อย่างนี้เรียกว่าอะไกินยัญญายตนะตอนนี้ได้กินยัญญายตนะแล้วเราก็มาตั้งตนทมตนเป็นต้นไม้ทำตนเป็นต่อไม้จุดสําคัญในเมื่อเราไม่สงการไม่ไม่ต้องการร่างกายไม่ต้องการอารมณ์ไม่ต้องการความรู้สึกนะึกคิดไม่ต้องการอะไรทั้งหมด เราก็มากําหนดจิตให้ทรงอยู่ตัวอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนะทําความรู้สึกว่ามีคนใกล้คําว่าสัญญาเนี่ยแก่วความจําเมื่อมีความจําได้นั้นเพื่อนนั้นพี่นี่น้องนี่พ่อนี่แม่เนวัตถุนี่ทรัพย์สินของกูนี่พี่น้องของกูบ้านของกูโรงกูโยนทิ้งไปหมด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 เป็นอันว่าทาใจมีอารมณ์ว่างทุกอย่างความหนาวจะมายังไงก็ฉัางมันร้อนจะมายังไงก็ฉัางมันมันจะป่วยใครไม่สบายก็ฉั่งมันรักษาหายก็หายไม่หายตายแลกก็ฉัางมันไม่มีความสำคัญตายเมื่อไรมีความสุขเมื่อนั้นไม่รบไม่กวนใครทั้งหมดจิตถ้ากาหนดอยู่อย่างนี้บรรดาธนาหลายเรียกว่าได้มณีสัญญาณาสัญญายาตนะ เป็นผู้โซนสมาบัติแปดอภิญญาก็ไม่ต้องพูดกันเวลามันหมดแล้วแต่ว่าอภิญญาบัติแปดที่ท่านสรจธดาบทท่านทำท่านก็ทําเฉพาะจุดแต่ว่าท่านนหลายๆทาตามผมพูดไม่ใช่สมาบัติแปดธรรมดากลายเป็นอรหันตปฏิสัมมิทายานไปเอากันอย่างนี้ดีกว่าเป น, นําว่าสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อที่นี้ไป ขอท่านนั่งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดอิดิยาบทตามมัติย า, ายัยของท่านจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ตามมัติย า, ายัยจนกว่าท่านนั่งหลายจะเห็นว่าเวลานั้นสมควรที่ท่านจะเลิกสวัสดี